วันนี้เป็นวันที่สิบสองกันยายนพุทธศักราชสองพัห้า้อยห้าสิบห้าวันนี้พระของเราไม่ลงมาชั้นสิบสองรูปมือเช้าเห็นลิงมันก็คงหิวอาา่านลงมาแย่งอาหารที่เขาใส่บาท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 ถ้าว่าจัดทั้งหลายทำบาปเป็นบาปก็ทําบุญก็ต้องเป็นบุญอีกเหมือนกันคืออย่างพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ป่าเลัยช้างมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าแล้วกระลิงได้นําผลไม้นําน้ําผึ้งมาถวายพระพุทธเจ้าเขาควรได้บุญแล้วจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์ อั น, น้สงแห่งการปฏิบัติพระพุทธเจ้าแต่ในการทาบาปพวกสัตว์ทั้งหลายทาบาปเป็นบาปไหมก็เป็นบาเปบาเหมือนกันคือในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปลาลบเรื่องเปรตพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสกุลพร้อมกับพระสงฆ์หมูใหญ่พระหลายรูปหลายร้อยรูป ที่กรุงราช จ, จะคืแต่พระโมกขาลากับพระลักษณะท่านขึ้นไปจาวัดไปพักแรมอยู่ที่เขากิจกุฎในกรุงราช จ, จะคืพอตอนเช้าพระโมกคาลากับพระลักษณะลงมาปินท่าบาทแต่พระลักษณะเป็นลูกศิษย์เดินตามหลังพระโมกคาลาพอมาถึงตีนเขา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 แต่หัวเป็นคนแต่ตัวยาวแล้วก็ไฟไหม้จากศีษะลามไปถึงหางแล้วก็ไหม้จากหางลามมาถึงศีษะลามจากศีษะลงไปถึงกลางตัวแล้วก็ลามจากกลางตัวไปถึงศีษะถึงหางคล้ายๆไฟไหม้อยู่ตลอดเขาได้รับทนทุกทรมานด้วยบาปกรรมอะได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 พระพองค์บอกว่าเปรตตัวนี้ตะกรอนเคยเป็นกาเป็นกาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะคนทั้งหลายเขาก็ในมนพระพุทธเจ้ากัสสปะพร้อมกับพระสงฆ์ไปฉันในที่นิมนต์จากนั้นพระพุทธเจ้ากัปะพร้อมกับพระสงฆ์ขึ้นไปประจำที่นั่งจากนั้นเขาก็เอาบาทมาตั้งไว้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเขาก็มาตักบาตร พอตักบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นําบาดขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เกีบบาดองค์ไหนท่านก็จะถวายองค์นั้นแต่นี้กามันอยู่ในละแวกนั้นเห็นเขากําลังจะอุ้มบาดเขาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาอุ้มบาดขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้ากษัตริกาตอนนั้นก็บินลงมาโฉบลงมา เตอุบาสกก็ไม่รู้จะวางบาดยังไงเพราะมันอ้วมบาททั้งสองมือแล้วก็มีฝาบาทนั่นอะ่ะก็มันจะทํำยังไงกาก็เลยมาคาบเอาข้าวในบาทของอุบาสกไปกินแล้วก็ลุกไม่คาบอีกคาบถึงสามครั้งกินถึงสามครั้งเรากินกาจ น, น, นกาบคาบถึงสามครั้งแต่พอตาย <c oughs> จากนั้นมากายตอนนั้นก็หมดอายุตายไป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 เขาถวายพระสงฆ์แต่เราไปกินของเขาที่เขาจะถวายน้อมถวายสงฆ์เราก็เลยบาปเป็นบาปกรรมตกนรกจากนั้นก็พ้นจากนรกมาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสบปะมาถึงศาสนานี้เราก็ได้รับบาปกรรมไฟไหมตั้งแต่สีษะจนถึงหางแล้วก็ไหมจากหางมาถึงสีษะแล้วก็ไฟลุกตรงกลางลามไปคนละข้างกัน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 เขาจะหยุดว่าพิษยาพิษไม่ให้ผลเขาจะต้องโทดหลนผู้ลายอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่ทำกรรมชั่วกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขาก็พูดได้ เ, เขาก็แสดงความประบาทหรือว่าแสดงความให้แกใคร ๆ, ๆฟังได้เปล่าฆาทกรรมแล้วไม่เห็นมีอะไร เ, เพราะว่ากรรมนั้นยังไม่ให้ผล ยังไม่ให้ผลในเมื่อกรำชั่วให้ผลแล้วนเขาจะพูดไม่ได้เขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนี่แหละแต่ลิงของเราอยู่ที่หน้าวัดเนี่ยมันกินอาหารเขคงกินอาหารเศษบาสมั้งแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อเป็นเจ้าของหลวงพ่อเออลิงเ อ, อ้มึงจะกินก็บมึงหิวของมึงหลวงพ่อมาให้เป็นบาปเป็นกรรมนะลิงหนะ่า เกิดเป็นลิงก็ทนทุกทรมานพอแรงแล้วตากแดดตากฝนทำไรทำนากินก็ไม่เป็นกินของธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกระดูการบางครั้งก็ขาดบางทีบางตัวก็พร้อมเพราะไม่มีไม่มีอาหารกินบางตัวก็ขนหลุดลนต่างหากพอมันมีโอกาสมันพอจะได้กินก็กินซะ